เจ้าของอ่ะผู้ดูผู้ฟังนี่มันก็จะแตกแล้วนะเอาเรียนหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเอาเรียนสิคาพูดนี่จะผิดไปไหมเรียนให้มันรู้อย่าเอาวิชาทางโลกมาเข้ามาเหยียบย่ําทําลายธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนฌานและโลกธาตุเรียนมาเถอะ ที่จะมาแก้กิเลสไม่มีทางเพราะเป็นกรนของกิเลสแต่งให้ทั้งนั้นใครจะอวดดีขนาดไหนก็อวดเถอะในเรียนวิชาทางธรรมซะก่อนมันจะได้รู้เรื่องสิ่งไม่รู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นเห็นขึ้นมาทีไใ้กราบพระพุทธเจ้าอย่างลาบเลยนี่กราบก็เห็นนี้เองนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้น พระย่าสอนไม่ผิดที่ตรงไหนวดดีว ด, ดีอะไรโอเคเลมาเหยียบย่าทำลายวาดวา่าว่าดศาสนาตนของตนละหมูกคณะพวงศาสนาแหลกไปหมดโดยที่เจ้าของก็ยังภูมิใจว่าได้มาคุยปฏิบัติธรรมยิ่งมามาอยู่วัดป่าบรรทานี่เข้่งคัดดีดีเป็นชื่อเป็นเสียงให้เสริมกิเลสเข้าไปอีกมันเยียบย่ำเจ้าของเขาไปอีกนอกจานั้นก็เป็นเครื่องต้มถุ๋นแหลกไปหมดไม่รู้ แล้มีตั้งแต่เรื่องอันเดียวนั่นอะธรรมอาธรรมนั่นที่มันก็นทํางานอยู่ตลอดเวลานั่นทั้งออมเพยนก็แยบแยบนิดนึงตอนนั้นน่ะเดี๋ยวมันปัดออกแล้วแล้วออเอาหมัดก็แทนแล้วใส่เราที่ขนัดถนัดนั่นไม่รู้เั้นจึงจําให้ดีคําพูดเหล่านี้มาเรียนนี่เป็นยังไงหลักขอ ง, รงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของปัญญานั่นน่ะอย่าลืมที่เคยพูดให้ฟังแล้ว นี่แหละหลักที่จะเปิดเรื่องความโง่ของของที่อวดว่าตนฉลาดยิ่งในตนว่าฉลาดฉลาดให้เห็นขึ้นมาชัดเจนด้วยสุตตามายะปัญญาฟังเพื่อจะแก้กิเลสให้เกิดปัญญาเพื่อแก้กิเลสจินตามายะปัญญาคิดเพื่อจะเปิดตัวเป็นเสีย้ยนเป็นหนามตัวยักษ์ตัวผีอยู่ภายใน ที่พาให้ยิงอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในหัวใจนั้นออกภาวนสามภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยหลักใหญ่คือรวมลงนี้หมดภาวนามยปัญญานี่นี่แหละเปิดโลกธาตุโยโลกวิทูเปิดอนนี้เปิดขึ้นในพระไทยของพระองค์เองไม่ต้องศึกษามาจากไหน เมื่อถึงวาระธรรมที่มีช่องที่เกิดขึ้นแล้วเกิดตลอดเวลาเกิดทุกขณะกิจ ท, ที่คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาเองขอให้แต่เรื่องความเรื่องน้ําที่มันทิ่มแทง ม, มันพุม่มมันหอมันปิดอยู่อย่างมิดชิดนี่นั้นเบิกตัวออกมาถอะด้วยปัญญาอันใด ข, ขั้นใดก็ตามประเภทใดก็ตามในสามปัญญานี้เริ่มต้นตั้งแต่สุตตมยะปัญญาเข้าไปหากินตามมัะปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงภาวนามยะปัญญาที่เกิดขึ้นเองในหลักธรรมชาติ เช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นในหัวใจของสัตว์โดยหลักธรรมชาติทั้งมันแล้วมันทําหลายและมันทํางานของมันตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีใครบังคับมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละปัญญานี้ก็เหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแก้กันไม่ตกจะไม่ได้เห็นโทษของกิเลสว่าพาสัตว์เกิดเจ็บตายมาเท่าไหร่นอกจากจะตัวเกิดตัวตายหามกันมาแบกกันมากี่พวกกี่ชาติจนจะไปไม่หวัดไม่ไหวในพวกชาตินี้ก็เพียงของคนคนคเดียวก็มากต่อมากแล้ว ยังสําคัญเข้าอีกยังให้มันตีกําหมับเข้าไปอีกว่าตายแล้วศูนย์บางทีมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราเอาเรียนวิชานี่ถ้าอยากให้รู้ว่าอะไรมันศูนย์จริงจริงไม่ศูนย์จริงจริงอะไรตัวอะไรเป็นหลอกตัวใดเป็นจริงถ้ามันเห็นนี่แหละตัวมันหลอกตายแล้วศูนย์แต่และศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่แหละตัวที่ตัวจังๆนั่นแหละตัวมันบีบหาารรัวสัดโลกกอมจัดโลกให้ฉิบหายหายบพวงไม่รู้จากบุญจากบาป ไม่รู้จักสิ่จากธรรมแล้วก็ปล่อยทางเปิดทางให้ออกทําความชัวช่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกายเต็มมาจาคเต็มใจเต็มจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ออกจากธรรมชาติที่มันมีอํานาจที่ปิดบังทางที่จะเข้าสู่อาจถู่ธรรมไม่ไว้หมดเปิดทางเดินเพื่อนนรกอเวกีให้เจ้าของสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาตรงนรกอเวจีอยู่ในอัตภาพนี้ด้วยความรุ่ร้อนภายในจิตใจยังมาแล้วออกอย่างนี้มันจะไปไหนมันไม่ไปนรกนไปไหน กิเลสมันเป็นวิเศษวิโสอะไรมันไปนปฏิเสธอะไรวันนี้ล็อกไปไม่มีกิเลสนั่นหรือเป็นตัวเจ้าตัวการใหญ่ที่เก่งกว่าศาสตร า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาเอาเรียนเขาสิถ้าอยากจะรู้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีใครสเสวยหมาบใครเสวยกองทุท่มอยู่ทุกวันนี้ทําไม่มีมันหลับตาพูดแล้วผู้ฟังหลับตาฟังก็ไม่รู้สิถ้าลืมตามันจะไม่ทําไมจะไม่รู้สารโลกได้ ว่างจากความทุกข์ความทรมานภารกิจใจนี่ยังไงบาไม่มีอะไรมาทรมานบาแปลว่าอะไรความชั่วช้าละมุกนํามาสึ่งความทุกข์ทุกอยู่ที่ไหนความชั่วช้าละมุกใครเป็นคนสร้างใครคุณทําขึ้นมาถ้าไม่ใช่สัตว์โลกใช่สัตว์โลกนี้จะเป็นใครไปแล้วใครเสวยอยู่ทุกวันนี้มองเห็นหน้ากันเอางแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานมาระบายต่อกันพอที่จะให้มีความเบาใจบ้างแล้วมันไม่เบาต่างคนต่างเอาทุกมาทุ่มกันทุ่มกันทุ่มกันก็เหมือนกเอาไฟกับเชื่อมาทุ่มกัน เปลวมันจุดฟ้านแล้วมันมีประโยชน์อะไรแตสิ่งเหล่านี้มีตังแต่มันแทรกเข้ามาแฝงเข้ามาหนุนเข้ามาให้พูดให้อาดอั้นดันใจจะเป็นจะตายแล้วก็มาพูดออกมาแล้วก็ความสําคัญยัดเข้าไปอีกพอระ บ, บายแล้วว่าสบายบามันสบายอะไรมันควรจะตายอยู่แล้วเ น, นี่ย น, น, น, น, น, น, น, นั่นแหะมันสลั่งตาฟ้านขนาดนั้นเอาเรียนตว่านี่โกหก่ะเราวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะเลิศยิ่งกว่านี้วะเอาดูสิให้มันเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไง มันจะไม่เข็ดได้ยังไงสิ่งที่น่าเข็ดแต่จริงๆเต็มหัวใจคือกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเป็นเรื่องพายหรโลกเถิ ด, ข, ดขอให้มันรู้ในเงื่อนที่ควรจะเข็ดเถอะแต่นี้มันไม่รู้มไม่เห็นนั่นสิมันปิดบังไม่หมดทุงจากลาบากขนาดไหนตกนรกอเวกีมากี่กับกี่การกี่พวกกี่ชาตินับมาได้ทั้งทั้อัตภาพเดียวนี้เท่านั้นมันยังถูกมันปฏิเสธลบล้างขบวนว่าไม่เคยเกิดแล้วตายแล้วยังศูนย์นรกไม่มีบาวไม่บุญไม่มีเก่งขนาดไหนกิเลสแล้วโง่ขนาดไหน เ, รรเขาทําอาวุธยักษ์ไปจับที่จับภาคปฏิบัติอย่าเอาเรียนมาแบกคำภีมาอวดกันเฉยเฉยอวดน้ําลายนั่นแหะตัวเครื่องมือของกิเลสอีกเราอยากเข้าใจว่าเราเรียน ท, ทํากิเลสมันกลัวมันยิ่งเข้าปากเข้าโลกกันนั่นแหละคือกิเลสทํางานเรียนทามาได้แต่ความจดความจามาอวดรู้อวดฉลาดกันเยอะๆยิงจองหองก็คือพวกเรียนรู้มากๆกันละทิถีมากๆจดเมฆจดฟ้านถ้ามีฟ้าแล้วหาได้รู้ไหมว่าอะไรพาให้มันทะนงอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ธรรมชาติอันเดียวนี่ ถ้าลงธรรมพุทิยาแล้วไม่มีเรื่องทนงเอาอะไรมาทนงแม้แต่เพียงขั้นสมถะธรรมเท่านั้นก็ยุยบย่อไปแล้วลงจิ่งเลี่ยเจาะแรงมาทนงแล้วละเอะีอะะยะก็ไปทลายถึงขั้นปัญญาแหลมคงก็ไปทลา ย, ยิ่งเห็นสิ่งตรงนี้เป็นเรื่องของพิษของภยัยทั้งนั้นความเยอะยิ่งจองของความทนงตนมีตั้งแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นแต่ความแต่หนามแล้วใครจะยอมพอใจแผมตักเสียบอยู่ในหัวใจนี้ต้องถอดออกถอดออกถอดออ ก, ถ อ, ออกถอ น, ถ อ, น, ถ อ, นออกถอ น, ถ อ, นออกนั้นสิ ยิ่งละอียดก็ไปตัวอะไรก็ยิ่งเห็นก็ไปชัดเจนชัดเจนทําไมมันจะนอนใจอยู่ได้มนุษย์เดาที่นอกจากนอนอยู่เหมือนหมูเท่านั้นเองมาภาวนาภาวนามีแต่เอาหมูมัดติดคอไว้มัดติดคอไว้หมูหมอนติดอยู่นั่นตลอดเวลามันจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาภาวนากี่ปีกี่เดือ น, นไมนได้เรื่องเวลามันจะได้เรื่องได้ราวอะไรไม่ได้เรื่องภาวนามาเข้าในหัวใจมีแต่เรื่องของกิเลสตระหนัสาวสประเภทต่างๆ มีแต่พิษแต่ภยัยตัวยากใหญ่ทั้งนั้นยียบหัวใจตลอดเวลานี่คือตัวพิษตัวภัยมันเอาฝังไว้ในหัวใจนั่งสมาธิมันก็ฝังเดินจงกรมอยู่ก็มีแต่กิริยาอาการท่านั้นนอกนั้นมิต่เรื่องกิเลสทํางานก่อค่วยจนหาที่บรรจุไม่มีแล้วเรายังทนงอยู่หรือเรายังภูมิใจหรือว่าเรามาภาวนาอ้าวภาวนาข้อให้เห็นสิเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกก็โกหกโลกหรือ พระพุทธเจ้ามาสอนโลกแต่ละองค์นี้ไม่เพระอาวาตอันเดียวกันก uh, ็คือรู้เห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลแตกต่างกันเลยพอที่ได้คําพูดแปลกๆมาพูดให้โลกได้ฟังแล้วให้โลกได้แย้งจะบ้างว่าทําไมพระเจ้าองค์นี้มาแตสรู้เป็นอย่างนี้สอนธรรมเป็นอย่างนี้องค์นั้นสอนธรรมอย่างนั้นไม่มีสอนองแบบเดียวกันหมดพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันค้านกันได้อย่างไงต้องอนําเรื่องอย่างเดียวกันมาสอนดิเห็นอย่างนรกบาปบุญ สวรรคความเกิดแจ่เจ็บตายนี่แล้วก็ดูข้างนาทีอชาตต า, าทุกย่อหนีย่ผู้มเกิดที่ที่มันเกิดไปยังไงอันเดียวกันทั้งนั้นับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านสอนนี่ละลิศวิพานังปรามังสุ ข, ขังก็คือดูข้างนาทีอชาตต า, านั่นเองเข้ากันได้ปุ๊บเลยนี่ทำไมกี่ล้านองค์เราจะมาพูดถึงเป็นล้านๆเลย อยากจะเอาเม็ดหินเม็ดสามาพูดนันแต่จะรูปถ่ายทอดคำมาเรื่อยๆเล ย, ยตั้งแต่กับไหกี่กลับกี่กันไหนมาจนกระทั่งเหม น, นี้ต่อกันไปเรื่อยๆ เ, เรายังมาหลับตาปฏิเสธได้อยู่หรือให้กิเลสมันหลอกอยู่เลยเราเป็นชาวพุทธเป็นักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระแท้ทาไมมันหลอกได้ไมาเชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรเชื่อกิเลสเป็นยังไงเห็นผลของมันไหมไม่เห็นมางั้นเลยเราถ้าพูดธรรมดาก็บอกว่าต้องเห็นแต่นี้ไม่เห็น ถ้าเห็นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าให้ฝังใจถ้าลองในความเชื่อได้อย่างธรรมะได้อย่างเคาถึงใจแล้วกิเลสหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะมันอยู่ไม่ได้ทางทนายทลายทั้งนั้นแ่ะไม่มีอะไรที่เยมีกําลังมีน้ําหนักมีกําลังรุนแรงมากยิ่งกว่ากําลังของใจสามแดนโลกธาตุนี้พังทลายไปหมดไม่พังในบุญเจ้าทำลายแดนโลกธาตุพางในจิตใจที่มันเป็นชยยึดติมเที่ยวแบกเจ้ายวามีใจดวงเดียวเท่านั้นพังออกได้หมด ตัวแบกตัวหามคืออะไรคือกิเลสมันพาให้แบกให้หามทางอันนั้นออกแล้วไม่แบกอะไรไม่หามอะไรอยู่สบายรู้ตามเป็นจริงอะไรมีอยู่ก็รู้ตามสิ่งที่มีเล่นตามสิ่งที่มีแนะนำสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นไม่โกหกโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าเอาเอาเข้าให้สิภาวนาทั้งสามปัญญาทั้งสามใ ห, ให้กองอยู่คำภีแบกให้มันหลังหักเล่นอยู่ทําไม ไม่ใช่ตุกตาเนี่ยธรรมพะพระเจ้าไม่ใช่ตุกตาอยู่ในกัมภีร์ก็เป็นธรรมเอามาแก้ที่แต่เราจะไปหาหนักกิเลสมันอยู่ในธรรมอยู่ในกัมภี์นั่นมันมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อในกมัมภีรมันกอ ง, งที่ในหัวใจคนมีทั้งกิเลสทั้งธรรมแหะนรกสวรรค์นี่แหะเป็นสื่อทางที่จะก้าวไปจนกระทั่งถึงความทิ้งทุกไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี่เลย ลองเปิดทางให้ปัญญาเกิดได้ยินตะวันทีเจ้าว่าปัญญาปัญญาต ล, ตลอดตลอดถึงมหาสติมหาปัญญานั่นแหละมหาสติมหาปัญญานั่นแหะภาวนามายปัญญาโดยแท้น่ถึงวาราที่ควรเกิดคนมีขึ้นมาแล้วหยุดไม่หยุดหมุนติ้วติ้วเช่นเดียวกับกิเลสหมุนในหัวใจของศัตร์โลกนะเพราะนี่เป็นช่องเป็นโอกาสทํามีกําลังแล้วกิเลสต้องหมอบราบหมอบราบต้องหลบต้องซ อ, อนไม่หลบไม่ซ่อนพังจริงๆพังจริงแตกจริงๆกระจายจริงถ้าพูดถภาษาโลกเราก็หัวแตก สมองไหลเลยเจ้าไม่รอเร่องวุฒอาวุธอย่างทันสมัยนี่อะไรจะทันสมัยยิ่งกว่ามหาสติมหาปัญญาแม้อนี่สิ้นไปสุดไปแล้วปัญญาก็ยังไม่สิ้นสุดนี่ใช้แบบปัญญาอิสระไม่ใชป่ปัญญาแบบต่อสู้แก่นั่นแก่นี่แกกิเลสฆ่ากิเลสนั่นฆ่ากิเลสนี่ในวงมหาสติมหาปัญญานี่เป็นปัญญา ที่แก้กิเลสอาชวะต่อสู้กับค่าศึกศัตรูทั้งหลายพอพ้นจากนั้นแล้วเป็นปัญญาถนมัตตอีกประเภทหนึ่งถึงเวาราที่ควรจะเกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้ น, น, น, นแล้วดับไปดับไปโดยไม่มีเยื่อใยซึ่งกันและกันและไม่สําคัญตนว่ามีปัรดาไม่สําคัญตนว่าโง่ไม่สาคัญตนวา่าฉลาดเมื่อถึงเวลาที่มีเหตุมีผลเข้ามาสัมผัตสัมพันธ์แล้วเกิดเองเป็นเองเป็นอย่างหมุนติวติวติวจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงเกณฑ์เป็นที่แน่ใจและไม่มีอะไรกระทัน ข้าตัวเองในแล้วกับความจริงนั้นแล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเป็นปัญญาพิเศษประจำกิจที่บริสุทธิ์ในมหาสกิมหาปัญญานั้นประจำเป็นปัญญาอัตโนมัติหรือว่าเป็นปัญญาที่ใช่ในวงต่อสู้กับกิเลสยังยังอยู่เป็นปัญญาที่กําลังต่อสู้กันมันแช่เป็นปัญญาอิสระเป็นปัญญาต่อสู้เนีย่ยมีสองกับกิเลส อออกจากนั้นแล้วก็เป็นปัญญาอิสระจิตเป็นอิสระชั้นใดปัญญานี้นเวลาออกก็เ ป, เป็นปัญญาอิสระชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรมาติดมากข้องมาพัวมาพันุไม่มีอะไรมาบีบบังคับเวิ้งว้างเหมือนกับอวกาศจิตเวิ้งว้างชั้นใดสปัญญานี้เวิ้งว้างชั้นนั้นเหมือนกันไปไม่มีติดมีข้องไม่มีคาที่ตรงไหนเพราะสมมุติไม่มีแล้วในจิตดวงนั้นอาการของ ปัญหาที่ก้าเดินออกมาแล้วจะเอาอะไรมาติดมาข้อมาพัวมาพันขอบคุณแล้วหรือชิดไปแล้วครับดับไปดับไปดับไปพูดแล้วหายไปหายไปหายไปเหมือนไม่ได้พูดเพราะไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดสิ่งที่เหลืออยู่แต่ความบริสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนเท่านั้นเอจาจำไม่ดีธรรมะพระเจ้าเป็นโมฆะเถืเ่อเชงไม่ปรากฏแล้วปนฏะิบัติของเราเนี่ยสอนประกาศกังวฐานมาได้สองพันห้าร้อยปีกว่านี้แล้วสําหรับองค์สัจดาของเราองค์สัจดาอยู่ในที่เช่นไรเวลานี้ หรือมีแต่ลมปากกันเหลือในข้อปฏิบัติของเราเพื่อได้พบได้เห็นองค์ศาสนาที่ว่าผู้ใดยังทําพื่อให้เห็นศาสาคตจะไม่มีบ้างเหลือในหัวใจของผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะพระพุทธเจ้าโก ง, งโลกที่ไหนทําเป็นของมีอยู่มีอยู่มีอยู่ประกาศคงว่านอยู่ทั่วดินแดนโลกท่านมาจากกานไหนมีอยู่ยังไงทําปฏิบัติให้เห็นที่ว่าทํา ม, มีอยู่ยังไงการสัมผัสมัสมัสด้วยวิธีใด ทำแต่ละขั้นๆสัมผัสกับกิจแล้วเป็นยังไงเราอย่าเอาอะไรมาสัมผัสไม่มีทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่มีทางที่สัมผัสสัมพันธ์ทำที่ว่ามีอยู่มีอยู่นั้นได้เลยนอกจากกิจเริ่มตั้งแต่สมถะทำไปด้วยภาคปฏิบัติสมถะทำเป็นขั้นๆฉะนั้นจะทราบในนี้ถ้าพูดเป็นขั้นของขั้นในนี้ท้าละเอียดก็ละเอียดในนี้เป็นไปเองในกิจดวงนี้ปัญญารำกับมันกันค่อยหมุนตัวออกมาหมุนตัวออกมาปัญญาที่แรกพาบังคับให้ก้าวเดิน พอมันติดสมาธิมีความสุขตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขความสบายเพราะจิตเป็นสมาธิสงบตัวแล้วเย็นสบายเพลินอยู่ในความสบายนั้นคิดดูที่ตั้งแต่เกิดมาหาความสบายมัได้จิตเหมือนฟุตบอลปิ้งไปกิ้งมาถูกเตะจากกิเลสแต่นี้พอได้สงบตัวแล้วก็เพลนนินที่คนเรานั่นแหะท่านจึงได้สอนให้ข่าทางท่านปัญญาไม่สอนออกไม่ออกติดอีกฮเพราะไม่เคยมีความสุขอย่างนั้นมันก็ต้องติดสิเพียงความสุขในขั้นสมาธิมันก็เกินโลกไปแล้วแหละ เกินโลกที่อยู่ในขั้นที่ทควรเตินแล้วก็ค่อยเกินไปเรื่อยสูงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวละที่จะเอเยียบให้แหลกหมดขึ้นชื่อว่าชื่อว่า ว, วัตจักวั ต, ตจิต ท, ที่มันมีอมนาจครอบอยู่หัวใจนี่เอาแหลกแหลกนั่นล่ะปัญญาตนนมัตนั่นล่ะปัญญาวานามญยาปัญญาเกิดขึ้นไม่มีขอบมีเขต เกิดขึ้นในทุกระยะทุกเวลาทุกอิยาบทมิ้นตลาบเท่านั้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ชื่อนะศาสนานะเออมีศาสนาที่แท้จริงติดหัวใจจิตริยามารยาทของชาวพุทธเราที่ไหนเมื่อไรนั้นมีแต่เรื่องของเกิียเข้าไปทำงานหมดเนี่ ข้าถือพุธข้าไปวัดข้าไปวาค้าไปฟังธรรมจาศีลค้าเรียนปริญญาสอบได้ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่เรื่องมันแทรกมันแทรกมันแทรกแทรกไม่รู้เนะไม่เราไม่คุยเราก็ไม่รู้แต่ก่อนทําไมคราวนี้เอาคําพุ่นนี่มามาพูดได้เอาฟังใช่เรียนนักด น, น, นตรีก็โอ้ตัวเท่าภูเขาเนี่ยสาคัญว่าตนรู้ตนฉลาดนักดนโปก็ไปใหญ่เลยกีบ ภูเขากี่ลูกก็ไม่ทราบต้อนับเอกมหาปเปรียญเข้าไปแล้วก้าไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้อะไรมันหนักทีตเดียดทับหัวมันง น, น, นต้องเอาปฏิบัติเข้าไปทําลายถึงได้ไว่าไงปฏิบัติภาวนาสิเข้าไปทําลายทิฏฐิมานาเหล่านี้มันฝังไม่รู้นี่ทำยังไงใครก็ภูมิใครก็ภูมิใจสอบเปรียนตกนี่จนจะล้มทั้งงายมันเสียใจมากฟังเนี้ย สอบได้ก็เหมือนจะเหาะจะบินนะทั้งๆที่ไม่มีปีกดีใจมากนะมันบ้าทั้งขึ้นทั้องล่องนะมันอยากจะรู้นี่ภาคปฏิบัติจับเข้าไปสิมันก็รู้บ้างตัวเองแหละไม่ต้องไปรู้บ้าของใครรู้บ้างตัวเองนล้วมก็รู้บ้างของโลกนั่นแหละมันจะไปไหนมันยิ่งประเภทเดียวกันพ่อผมว่าอยู่พังเข้าไปตรงนั้นมันก็รู้กันหมดนั่นแหละนี่มันอิดหนาละอาใจนาการสั่งสอนหมู่เพื่อนมันคอยที่จะแหวกแนวแวกแนวแหวกแนว ช่องทางที่ใหไปมันไม่ยอมไปไม่ยอมฝืนนี่ที่ให้ที่กิเลสมันลากไปตลอดเปอกเปึกไปทั้งนั้นคือไม่มีเข็มมีหลาบนี่สิถึงตามมาเช้ามีแต่เรื่องอันเดียวฉุดลากไปถ้าว่ามันเป็นภาพเป็นอะไรเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วถ้าเนในวัดป่าบันตาแล้วมันมีกระดูกติดตัวที่ไหนยาว่าแต่หนังตลอกเปลาะปึกไว้หนังก็หมดเนื้อก็หมดเอ็นก็หมดกระดูกก็หมดเป็นปุ๋ยผงไปเลยถูกกิเลสมันขยี้ขยงหมอแหลขนาดนั้นน่ะ ทั้งๆ ท, ที่เราเองก็ไม่รู้นะหมวงพูมใจเห็นกิเลสเป็นของประเสริฐเลิ่อเลอไปได้ทั้งๆมาปฏิบัติธรรมแล้วพุทธธรรมังรมสันงนักฉามีเสด้วยคําว่ากิเลสสันนักฉามีไม่ได้ว่าเลยแต่กอดเอามากัดตับเราเลยนี่นี่สิเอามากัดในขั้วหัวตับนี่แหลกไปเลยพุทธสันนักชามีสันนังกฉามีนั่น ยับบกถ้าไหนมีแต่ท่าของกิเลสทางนั้นย่าำไปก้วนไปเข้ามาแย่ำไปก้วนก้านไปเข้ามาก้บบ า, า, น า, า, านเข้ามาเผาจ้าของยังไม่รู้โง่ไหมมนุษย์เราโง่ไหมพวกปฏิบัติเราเอาจำไม่ดีคํานี้ฟิตขึ้นสติปัญญาที่กล่าวนั้นน่ะมันจะพ้นไปไหนจะไม่รู้อันนี้จะรู้อะไรมีอันนี้กติดแนบของหัวใจใกล้กว่าสิ่งใดทั้งหมดประเภทต่างๆของอาธรรมฆ่าศัตรูอันใหญ่หลวงนี่ นับแต่อวิชาัญญาสร้างคาลสร้างคาปัญญาวิญญาณออไปเรื่อยๆพอพูดถึงนอวิชานี่ก็เป็นเหตุให้คิดเหมือนกันอวิชารปญาสร้างคาลาพูดเรียนอวิชาผู้ปฏิบัติอวิชาจะดูอวิชารปญาสร้างคาราอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณยาวชื่อไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปนู่นให้มันวาดภาพหลอกไปหลอกไปหลอกไปตัวอวิชารปญาสร้างคาลาสร้างคาลาปยาวิญญาณ มันเกี่ยวคันกันอยู่ในหัวใจตรงเดียวนี้ไม่คิดนี่นี่ใช่ปฏิบัติมันก็รู้เองอันนี้ก็ดีทีเราจะไปตามมันตามตัลก็ตามเถอะเหมือนไม้ต้นนี้อะเอา้าไปเด็ดออกภายในนั้นออกเด็ดไปนี้ออกเด็ดไปนั้นออกเด็ดกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนั้นออกตายทิ้งวัตถุมันก็ไม่ได้ทํำลายต้นของมันขุดหน้าแก้วลากขอ ย, ล า, อยลากแก้วมันพรวดถอนพรวดขึ้นมาแล้วมันไปไหน เท่านั้นไม่ต้องไปนับมันตายหมดมันเกี่ยวโยงกันหมดไม้ทั้งต้นมันฮะแต่กิ่งการดอกใบของมันอันนี้ก็เหมือนกัรท่านบอกอวิชญาปญาสร้างคาลานั้นเป็นกิ่นไปแล้วนะเพราะอวิชญาปญานั้นลากแก้วสร้างคาลาสร้างคาลาปญาวียนยานั้นนั่นคือกิ่นคือกล้านคือเปลือกคือกระพี้คือดอกคือใบของมันไปเรื่อยๆที่นี่ก็นับดอกนั่นนับใบนี่ไปเป็นบ้าไปเลยนี่แหละความจํามันไม่พ้นที่จะต้องหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้เหมือนอวิชชาจะเป็นอย่างนั้นเหมือน สังขารจะเป็นอย่างนี้จินยาณจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย ๆ, ๆให้มันหลอกให้ตัวกิเลสนัน่นหลอกเราเรียนทำเรียนเรื่องของกิเลสอยากจะรู้เรื่องกิเลสถูกกิเลสปิดไปไม่รู้ปิดไปเรื่อยๆไม่รู้เป็นกิเลสทั้งหมดอี่เราไม่รู้โน่นผ้าปฏิบัติตนึ่งจับเข้าไปจับเข้าไปขุดดังนั้นออกมาขุดด้านนี้ออกมาขุดเข้าไปขเข้าไปลากฝอยตัดเข้าไปตัดเข้าไปถึงรากแก้วตัดขาดแหลกล้มตูมลงไปไม่ต้องไป นับมันก็ได้ไม่ต้องไปดูมันก็ได้ถึงการสาขาดอกไปมันตาเพื่ความความกันหมดเลยนี่จึงไม่เทศเทศเรื่องอวิชชาปัญญาสร้างคาลาสัางคาลาปัญญาเวียนแเงเทศพทําไมบอกตั้งแต่เรื่องราวความจริงที่จะฆ่ า, าวิชาให้ทันทั้งหลายได้ทราบพอเทศเข้าไปถึงเรื่องรูปกายนี่ตนาภายนอกรูปเสียงกลิ่นนวดเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์กับพุทธนาภายในตามจมูกเลี้งยงไก่นี่เรื่องอวิชามันไปทํางานเห็นไหมความหมายว่าอย่างนั้น เอพิจารณารูปกอาพิจารณาเสียงกลิ่นรถเครื่องสมบัติเอาพิจารณาเข้ามาถึงตาหูจมูกเรื่องกายเข้าม า, ากายเข้ามาหาเวทนาสัญญาสั้งขานวิญญาณ น, นี่หมุนเข้ามานี่พิจารณาลอกก็ไปลอกก็ไ ป, ออกกไปนี่เหมือนก็ตัดนัาก้อยของมันเข้าไปโดยลําดับลดาดับพอมันเข้าถึงที่แล้วมันก็เข้าอุมโมงค์อย่างที่ว่านั่นอย่างเคยพูดนั่นเพรามันรูน้ชัดสิ่งทั้งรูปกาย ของตนทั้งเบทนาทั้งยาสั้งขามิญญาเนะ่ยมันจะไปไหนมันหาที่ยึดที่เกาะหาที่หลบซ่อนมาได้มันก็หมุนตัวเข้าในหมุนตัวเข้าในสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตดังที่เคยพูดให้ฟังเสมแอต่อเหมอเต็มปากเฉะแล้วเนี่ยนี่เอาความจริงมาพูดเนี่ยนี่แหละคือพูดเรื่องอวิชชาเป็นเพียงไม่บอกอวิชชาอเฉ ย, <S <S ยไม่ได้บอกเป็นชื่ออย่างงี้เฉยหลักธรรมชาติคืออวิชชาแล้วสุดท้ายก็จึงไปบอกว่า อวิชชากับิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความคืนเปนอันเดียวกันเนถึงได้บอกเวลามันขดตัวเข้าไปแล้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปแปลว่าทางขึ้นถอนพวดออกมาจากจิตแตกกระจายไปหมดแล้วถามมาทําไมมิผ่านเท่านั้นขอให้ใจบริสุทธิ์เท่านั้นก็พอกระจายไปหมดเลยมีตะกิริยาหรือศาสนา ไม่แ น, นะนําศาสนามาเป็นประโยชน์แต่ชาวพูดเราเลยทําไงประกาศโฆษณาแสดงที่นั่นแสดงที่นี่มีแต่พูดกันป้ายฟังกันไวเฉยไม่ได้สนใจปฏิบัติถ้าลงสนใจปฏิบัติอะไรจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศาสนายิ่งกว่าตัวของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว่าสังคมแต่ละสังคมที่มีศีลมีธรรมมีศาสนาประจําตัวไม่มีอะไรเลืออะไรประเสริฐไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกว่าคนแต่ละคนตั้งใจปฏิธรตัวให้ศักดิ์ด้วยหลักธรรมหลักพินัยเถอะศีลไม่ต้องศีลมากศีลห้าก็เอาใเ่ไหอเท่านั้นพอแล้วโลกนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะทําลายศีลนั่นเองทำลายศาสนาจะเป็นอะไรไปก็บอกทำลายศ า, าสนาศีลห้าใครบัญญัติไว้เนี่ยตานาฆ่ากันวินาสัตตโลนี่คือใครฆ่ากันไม่ใช่ทำลายศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรศาสนาพุทธท่านสอนไว้แล้วว่าชาตพุทธเองเป็นผู้ทําลาย จะไม่ได้ทำมาศาสนาอะไรปรนานาอธินาการเมมุสาสุราเรามีไม่มีใครรักษามีแต่ผู้ทําลายทําลายทํำลา ย, ลา ย, ลายแล้วออกชาวพุทธมาจากไหนมาพูดว่าเป็นชาวพุทธแล้วโลกเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรไมไ่เดือดร้อนเพราะศาสนาเดือดร้อนเพราะการทาํามาศาสนาถ้าต่างคลมต่างรักษาปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโลกนี่ศักดิ์สิทธิพิเศษอืมท้าลางมีไว้อะไรไม่เห็นจําเป็นอะไร เพราใครก็ไม่ทําโทษจะเกิดมียังไงไม่ว่าโทษอาญาไม่ว่าโทษอะไรทั้งนั้นเหี่ยโทษแผงโทษอาญายังพูดลงไปเนะี่ยโทษไหนมันก็เกิดจากมนุษย์ที่ทําลายศีลทำทําลายศาสนานั่นแหละทําลายตัวเองแล้วกระลายเป็นทําลายหมู่เพื่อนที่เกี่ยวโยงกันไปไม่มีสิ้นสุดมันอัดคุณนั่นเห็นไหมตารางมีแต่คนทําลายศาสนานนเนี่ย คนนักศาสนาจะไปทําอะไรอนะันไม่ชกไม่ลักไม่ปล้นไม่จะดมอะไรที่จะผิดศีลทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลทำยิ่งเป็นของละเอียดแล้วไม่ทําแล้วจะเป็นโทษประจําไหนใครจะปฏิคุกติดตลาดนั่นศักดิ์สิทธิ์ไหมที่นี่มนุษย์เรามนุษย์ทั้งคนไปเป็นนักโทษในเรือนจํามันเลวไหมทีเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างนักษาตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาแล้วใครจะศักดิ์สิทธิ์เกินมนุษย์ มองเห็นกันยิ่งแย้มแจ่มใสด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจกันได้ตายใจกันได้ไม่ว่าจะเกิดมาจากชาติชั้นวรรณะใดสกุลใดภาคใดแม้ในประเทศเดียวกันภาคอะรก็ตามมนุษย์เหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันตามคนต่างรักษาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษศักดิ์ศรีดีงามของตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเข้ากันได้สนิทมนุษย์เราอันนี้มันไม่สนิทเพราะอะไรก็เพราะตัวเทวทัศนมันอยู่ภายในจิตใจเราทีคอยทําลายศาสนาซึ่งมีอยู่ ในตัวเองที่ควรจะได้มันไม่ได้ทางทลายลงไปหมดบุดม้หลุดมือไปหมดนี่แต่ทำให้มั น, ส, มนสักซิดมันกระซักศีอย่างเมืองไทยเรานี้อาเมองต่างคนต่างรักษาศีลห้าดิเมื่อต่างคนต่างรักษาคดีไม่มีขึ้นโร่งขึ้นศาลขึ้นไปเพราะการทําทําลายกฎหมายบ้านเมืองธรรมดาศีลทำล น, ทนั่นเองเมื่อต่างคนต่างรักษาแล้วจะเอาอะไรไปขึ้นโดงขึ้นศาลไม่มีนี่ ตารางเรินจำทำไว้ก็ทำไว้อย่างนั้นละล้งางคุมฝาคสารอายการท <c oughs> นายเี้ยลื้อหมดต่างคนต่างเป็นทำอย่างที่ว่านี้แล้วถึงจะเป็นโดยเหตุที่ไม่รู้ก็ตามให้อภัยกันได้เนี่ยเป็นขั้นๆไปเลยใครจะไปถือศีลถือสากัรลงศีลธรรมในหัวใจมีเต็มบัลลกาของผู้ปฏิบัติแล้ว มันไม่ได้ถือสีถือสากัน เ, นเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีคุณค่าโกรนศีลธรรมศีลธรรมมีคุณค่ามากกว่าก็าให้พ่ายกันได้ง่ายนิดเดียวมันรู้เรามีแต่ทําลายทําลายเขาก่าใครเกินเข า, าก็ว่าใครจะลาย สร้างขึ้นมาสัตยาวุกขึ้นมาเพื่อจะทำสังหารเรานั่นเองจะว่ว่าสังหารเขาอะไรสัหารเรานั่นแหละมันโง่ไหมน่ะพินาศเรามีเขาก็มีนั่นเราสู้เขาก็สู้เรารบเขาก็รบเราฟันเขาก็ฟันเราฆ่าเขาก็ฆ่าเนี่ยแม้ว่าฆ่าตัวเองทำลายสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายตัวเองจะว่าอะไรผิดที่ไหนทำํำบทที่เก้าสอนไว้นั่น ว่าว่าสร้างไว้เพื่อป้องสร้างไว้เพื่อป้องกันตัวสร้างไว้ไว้เพื่อทำลายตัวนะักหลักความจริงมันอยู่ที่เพื่อทำลายตัวต่างคนต่างสร้างต่างคนก็ต่างทำเพื่อจะทำลายกันนะักมันคือสร้างทำลายตัวเองเลยหลักยิ้มทำเป็นอย่งยงยังไงยิงลังยิงไหลก็มามันไม่มีขอบมีเขต ไม่มีที่อยู่ที่พักให้พักให้อยู่แั้วมาเก่งๆกั้งกล้ ง, ลางภาว น, นายิ่งกับจูงหมาใส่ฝนร้องยย่ายันยัอเ่าฮานลอกกับวิจีมันเร็วอย่างนี้มันไม่ทันทำยางไร มันมีตั้งใจเจตนาให้มันเป็นแต่สิ่งที่มันผลักดันมันเหนืออำนาจเราเหนือความรู้ความฉลาดของเราที่จะทันมันมันไม่อยู่ภายในใจมันถึงผลักดันออกมาให้แสดงตลอดเวลามันไม่รู้สุดตัวไม่รู้สุดตัวเลยนี่มันสะดุดใจเอามากทีเดียวกระเพือนใจมากเรานี่จริงถึงกล้าพูดบางทียังพูดออกมาได้กล้าพูดเลยใเราภกิเลดนี่มันผูกขึ้นมาละเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นอะไรละ มันเอาเรื่องที่เคยต่อสู้กันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายมานั่นเนี่ยนั่นจึงถือว่ากิเลสกับเรานี่มันไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นฆ่าตัวต่อการอย่างยิ่งสมมุติว่านั่งฉันทหารยี่นี้ว่ากองทัากิเลสมาแล้วนะไหนทีเดียวเลยบาทนี้เพ้งตูมเลยใส่เปียกเลยไม่มีคําว่ายกขู่อ้าวกิเลสตายแล้วถึงจะกลับมาฉันทหารอีกทีหนึง่งถ้าเราตายแล้วก็ไม่ต้องมาฉันไม่จุ้งยุ่งมันให้กิเลสเท้าศกไปเลย คำวาถอยไม่มีเพราะมันเครียดแค้นถ้าพูดถึงหนึ่งความเครียดแค้นแบบโลกๆนะนี่เรายกเอามาพูดเหมือนกับเป็นควอมเปรียบเทียบกับโลกสมมติที่มีมาเกรียดแค้นมันถึงใจถึงขนาดนั้นรอไม่ได้เลยคําข้าวยังคาป่านี้ก็ทั้งต่อยทั้งเคี้ยวหรือลืมเคี้ยวก็ไม่รู้หละยเอากันเลยปึ๋งเลยเดียวรอไม่ได้เนี่ยปัญญาที่มันถึงขั้น ม, ม, มันเด็ดแต่การมันเด็ดอย่างนั้นนี่ความเทียบเขาอีกขั้นหนึ่งนี่เดี๋จะโผมาไม่ได้เป็นอันขาดเพราะไม่โผก็ค้นอยู่แล้วนี่ค้นหาอยู่แล้วนี่นั่นแหละแปลว่างานอันหนึ่งที่วัชติปัญญาตโนมัติคือมันคุยเคียหาอยู่นั้นไม่มีหยุดไม่ถอยจด็กจะไม่มีอะไรให้เหลือซากอยูในใ จ, จิตใจเลยเอาให้แหลกหมดคุ้ยเคียก็คุยเคียอย่างถึงใจด้วยอืเพราะงั้นมันต้องหมุนพิ우่ที่อยู่ที่ทไม่มี ทำไม่ถึงใจหมุนได้ยังไงสติปัญญาก็ไปทํานึ่ธรรมชาติอันหนึ่งที่หนูสติปัญญาให้หมุนอีกนีอีกนั่นเหมือนกับนิเรศที่มันพอตัวของมันกําลังของมันมากมันหมุนตัวออกมาผักดันกิริยาอาการต่างๆให้เป็นก็อย่างเดียวกันเมื่อส่วนหยาบมันหมดไปหมดไปปัญญาขั้นละเอียดก็ตามมันไปตามไปนิเรศละเอียดขนาดไหนปัญญาละเอียดขนาดนั้นเหนือนั้นเหนือนั้นทําลายเลย เาจนกระทั่งมันแหลกไม่มีเหลือถ้าเราพูดถึงว่าเกิดก็เกิดชาติใหม่ใว่ไหมการไหนนนี้ยทำไมจะไม่เห็นโทษโอ้โหมันปิดมันบีบบังคับเรามาตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้ไม่รู้โอ้โหโอ้ย โ, โอ่โทามน้ำตาล่วง าอัจฉริย์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็ได้เห็นจะแล้วได้ปรากฏจะแล้วมกวก็ถึงใจอัจฉรย์น้ำตาล่วงเห็นโทษถูกกิเลสต้มตุนมาตะพอจนกระทั่งววลาสุดท้ายอภิชาปัญญามันยังต้มอีกนี่มันก็ถึงใจม่อมันถึงใจแต่ถึงใจทำไมกำลังใจมันจะไม่มีนี่มันถึงถึงถึง อะไรจะเป็นเหนือกำลังใจไม่มีในโลกนี่ถ้าลงในบรรจุตัวเต็มที่ไม่ว่าทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันทำให้เอาแหลกได้เหมือนกันทาง ช, ชั่วก็แหลกได้เลยไม่ไดี x, วิตุวิจาร์ากับบาปกระบุญคุณโทษอะไรเลยถ้าลงกิเลสตัวนี้มันถึงใจแล้วทั้งทาก็เหมือนกันทาก็ถึงใจที่จะปราบกิเลสอตาเชิตังเส่อ ย, อยู่การชำระตน ชนะตนนั่นแหละประเสริฐ น, นี่ตรงนี้อันหนึง่งครับเอกัราชเชริญมัตนางสวสงัสดงสวีนังงามพุทธมณการทาารชนะตนนั้นแหล่ประสรจุดนี่นั้นถึงใจกําลังของใจเป็นสําคัญนะการประกอบความกเหลียนเมื่อกําลังใจความมุ่งมั่นของใจมีมากแล้วมันจะหมุนหมุนตัวแล้วก็ยิ่งได้รับอุบายจากครูจากอาจารย์ที่ ท่านแสดงถูกต้องแม่นยำต่ออัตต่อธรรมต่อความจริงเพื่อค่ากิเลสทุกประเภทไปแล้วด้วยแล้วนั่นนะ่ะยิ่งถึงใจมันดีดผึงถึงผึงงไงเพราะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังจริงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราไม่ลืมเราได้ฟังทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันไหนตันจะประชุมนี่มันก็ยิ่มเหมือนจะเด้เหาะจะบินนะันข้อข้างใจตรงไหนตรงไหนที่มันมีอยู่นในจิตใจมันจะต้องมัด กระจายกันวันนี้นั่นความหมายว่างั้นนะอืมที่จะได้ฟังได้ต่อผลประโยชน์ต่อไปอีกก็มีสิ่งที่ยังขัดยังข้องอยู่ภายในจิตใจวันนี้จะต้องถูกเปิดเผยด้วยธรรมของท่านทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันเคยเป็นอย่างนั้นพอเทศไปถึงจุดนั้นจุดทั้งหลาแล้วมันจ่อจ่อพอไปถึงนั้นพระท่านผ่านถึงเลยเพราะท่านผ่านไปแล้วนี่ท่านดูแล้วนี่ผ่านผึ่งเราก็โดดผึงไปตามได้เก้าสองเก้าก็เอาบางเทศแต่ละครั้งละครั้งนี้ได้ทีละเก้าสองเก้าไปเรื่อย แล้วก็เพิ่มเติมกันไปเรื่อยนี่การฟังเทศจริงเป็นของสําคัญมากไนะนังกิตตันแสดงไว้ในขั้นพุทธการเอาพระุทธเจ้าประธานพระว่าแต่ละครั้งในพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากมายแต่กองไม่มากยังไงคนที่มีจุดจอดมีจิตจุดจจต่อทำทั้งหลายมีอยู่เป็นจํานวนมากเราพูดในสัยปัจจัยมีความเหลื่อมล้ําต่างขูมต่างกันฟังมากต่ามากคราวนี้คนนี้ผ่านไปได้แค่นี้คนนั้นผ่านไปได้แค่นั้นมากต่อมากก็ผ่านได้สิ ผู้นั้นขยับเข้ามาผู้นี่ผ่านไปผู้นั้นขยับขึ้นมาผ่านไปผ่านไปเราเชื่อร้อเอร์เ็นแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากมากตอนที่อนหังสืออยู่แต่พอมาปฏิบัติแล้วมันมาได้ยินในฟังโอวาทของพ่อแม่หัวใจที่ถึงให้โอวาทนี่หม่แม่มันถึงใจเหลือเกินนะเทศบางทีถึงสามวันงเหมือนกับว่าโลกของท่านมันดับไปตามๆทะเทศนาของท่านเหมือนไม่มีอะไรไหวตีนเลยใบไม้อะไรนี้ธรรมดาก็โลกมันก็บีธรรมดาแต่เหมือนกับว่าโลกนี้ดับไปหมด อำนาจของธรรมท่านคราบไปหมดมันกลางบานอยู่ในหัวใจเราเนี่ยอพูดไปพูดไปไยแล้วนะมีเกี่ยวข้องอะเอาละแค่นี้นะกิ่นั่นที่นี่